เพราะฉะนั้นความรู้สติปัญญาเหล่านี้ทั้งหมดก็เป็นสมบัติของผู้มีบุญพันบุญเนี่ยจะเป็นตัวจัดสรรปรุงแต่งให้เครียกว่ามนุษย์สมบัติทั้งหลายสมบัติของมนุษย์มนุษย์สมบัติของผู้ไม่ใช่ชื่อสมบัติเนี่ยนะบางทีชื่อสมบัติบางทีอาจจะไม่ได้มีสมบัติอะไรหรอกมีแต่บัตรนั้นก็หมายความว่าผู้ที่มีสมบัติเนี่ยนะสมบัติหมายความว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพธิภาพที่น่าปรารถนาลาบยศตสรรเสริญตําแหน่งะนะเป็นต้นอะไรทั้งหลายและเนี่ยนะ ก็คือนั่นก็เป็นสมบัติของผู้มีบุญเนี่ยนะอายุยืนผิวพรรณดีความมีสวดทรงงามก็สมบัติของผู้มีบุญเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ก็เป็นสมบัติของผู้มีบุญและก็ที่สำคัญต่อไปอีกว่า บุญกุศลคุณงามความดีที่กระทำไว้แล้วเป็นบุญเป็นวาสนาะเป็นอุปนิสัยให้ได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานแทงตลอดอริยสัจจะรมตรัสรู้อริยอริยยาณธรรมตรัสรู้ธรรมที่นําออกจากทุกแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทแทงตลอดอริยสัจแทงตลอดธรรมะเป็นที่ดับชราและมรณะแทงตลอดธรรมะที่ดับชาติคือการเกิดแทงตลอดธรมดบบดธรมะที่ดับภพแทงตลอดธรรมะที่ดับ อุปาทานแทงตลอดธรรมะที่ดับตัณหาดับเวทนาดับพัสสะดับสลายตนะดับนามรูปดับสังขารดับวิญญาณดับสังขารแล้วก็ดับอวิชชาเพราะฉะนั้นธรรมะคือธรรมะที่ดับทุกธรรมะที่สงบทุกธรรมะที่สิ้นทุกเหล่านั้นเป็นชื่อของพระนิพพานผู้ที่สั่งสมบุญไว้ดีก็สามารถเจริญปัญญาเข้าถึงแทงตลอดธรรมะเป็นที่ คนทุกเหล่านั้นมันบุญเหล่านั้นเนี่ยนะก็จะสามารถทําให้สําเร็จประโยชน์จริงดามิยาบอกว่าให้อนุโมทนากถาที่พูดมาทั้งหมดก็จะได้อนุโมทนาว่าบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้ทำเนี่ยนะถ้าหาว่าเราทําแบบมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายเข้าใจเป้าหมายว่าเราทํานั้นอนะ่ะคือต้องการอะไรเหมือนคนเดินทางที่มีเป้าหมายเหมือนว่าถ้าไปซื้อตั๋วรถจะเดินทางไกลก็มีเป้าหมาย เขาก็จะออกตัวให้ถ <que> <Frost> ูกเหมือนกับเดินทางไปต่างประเทศเขาจะออกตัวให้ถูกว่าเราจะไปลงที่ไหนไปอย่างไรไปที่ไหนเขาก็ออกตัวให้ถูกชันใดถ้าเราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นมีเป้าหมายเพื่อบรรลุสวรรค์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติโดยเฉพาะอริยมรรคอริยผลและพระนิพพานถ้าปรารถนาสมบัติเหล่านั้นมีโดยมีความรู้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเรียกว่ารู้เป้าหมายเมื่อรู้เป้าหมายก็มาพิจารณาไถ่ครวญถึง เหตุว่าปัตธรรมเหตุเช่นใดจึงจะได้ผลเช่นนั้นแปลกนะว่าเหตุกับผลบางทีมันอยู่ไกลกันนะสมมติว่าเนี่ยหน้านี้เป็นหน้าปลูกมะม่วงใช่ไหมทีนี้ถามว่าถ้าเราอยากได้ผลมะม่วงเราต้องทํำยังไงนะต้องทํำยังไงจึงจะมีมะม่วงรดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินเป็นต้นเนี่ยนะบางทีให้ปุ๋ยที่ใบเป็นต้นทําไมไม่ให้ปุ๋ยที่เม็ดไปเลยล่ะ มันออกเม็ดแล้วค่อยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยตรงเม็ดเลยมันจะได้มะม่วงจะได้โตเร็วๆทำไมให้ให้ปุ๋ยที่ให้ปุ๋ยที่ใบให้ปุ๋ยที่โคนให้น้ำที่โคนทำไมไม่ให้น้ำที่ลูกมันเลยล่ะ ใช่บางทีเหตุกับผลเนี่ยบางทีถ้าวิเคราะห์ไม่ดีเนี่ยนะบางทีดูแล้วไม่สัมพันธ์กันระหวังเหตุกับผลแต่ก็เป็นเหตุเป็นผลชั้นใดก็ดีบุญนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้สมความปรารถนาบุญทั้งหลายเป็นเหตุบุญทั้งหลายเป็นเหตุบุญที่เป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลเหล่านี้เรียกว่าเป็นผู้มี อธิการมีบุญมีอัธยาศัยได้ทําไว้ดีแล้วเข้ามาก็เชื่อว่าบุญกุศลที่เราตั้งทําบุญด้วยความรอบรู้ด้วยความเข้าใจและมีเป้าหมายกําหนดทิศ ท, ทางเอาไว้อย่างชัดเจนเช่นนี้แล้วบุญเหล่านี้จะอํานวยประโยชน์อํานวยผลให้เราได้สมความปรารถนาให้เราทั้งหลายพ้นจากทุกข์เพราะผลแห่งการให้ใครเนอะจะพันณนาอ น, นิสงฆ์แห่งการให้ทานได้ ถ้าหากว่าบุคคลไม่เคยอย่างเช่นพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่เคยให้ทานมาจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมพระอริยะสาวกทั้งหลายถ้าท่านไม่เคยให้ทานมาท่านจะเป็นพระอริยเจ้าได้ไหมสมบัติเหล่านั้นการบรรลุมรรคผลของพระอริยเจ้าเหล่านั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านก็สั่งสมบุญมาท่านก็ให้ทานมาท่านจึงได้สมบัติเหล่านั้นนะ ผู้ที่มีชีวิตมีความสุขมีอายุยืนยาวนานใช้ชีวิตด้วยความสุขถ้าเขาไม่รักษาศีลมาเข้าไม่ได้สั่งสมมาเขาจะมีความสุขได้อย่างนั้นไหมเพราะฉะนั้นบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้กระทํานี้ในี่ยนนะที่เกิดจากการให้ทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการกระทําอุโบสถเกิดจากการฟังธรรมขอบุญกุศลเหล่านี้จงเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายได้รับประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์ อย่างยิ่งขอทำประโยชน์ของตนให้สําเร็จทำประโยชน์ของผู้อื่นให้สําเร็จเนี่ยนะอยู่ด้วยความไม่ประมาทขอบุญกุศลเหล่านี้ขอให้เราทั้งหลายเจริญด้วยโพรทรัพย์ไม่เดือดร้อนในเรื่องของปัจจัยสี่เนี่ยนะเลี้ยงตนให้เป็นสุขเลี้ยงครอบครัวให้เป็นสุขบำรงบิดามารดาเป็นต้นให้ ประสบแต่ความสุขและความเจริญบุญกุศลเหล่านี้จงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายเจริญ ง, งอกงามด้วยอริยทรัพย์ทั้งหลายเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลเจริญด้วยหิริโอตปะเจริญด้วยสุตะเจริญด้วยจากขะเจริญด้วยปัญญาขออโภขทรัพย์ทั้งหลายเป็นเหตุให้ได้สุขในโลกนี้อริยทรัพย์ทั้งหลายจะเป็นเหตุให้สุขในเรียว่าสุขในสวรรค์ summer, หรือว่าสุขในพระนิพพานขอบุญกุศลเหล่านี้ จงเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายประสบความสุขและที่สำคัญขอให้ได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจธรรมบรรลุ น, นะอริยสัจกำหนดรอบรู้ในกองทุกขละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทา ขอมัชชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายตรงสายกลางข้อปฏิบัติที่นำออกจากทุกน์นะขอให้เราดำเนินเดินตามมัชชิมาปฏิปทาตามข้อปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำและก็ทําถึงที่สุดแห่งทุก์ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมใดเป็นที่พ้นทุกข์ขอให้พวกเราทั้งหลายมีบุญมีส่วนมีวาสนาได้ตรัสรู้ธรรมะนั้นด้วยพระพุทธเจ้าแทงตลอดธรรมใดแล้วเอามาบอกกล่าวแต่งสั่งสอนพวกเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าต้องการให้เรารู้ธรรมใดขอให้พวกเราทั้งหลายได้บุญที่สั่งสมนี้ขอจงเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยให้เราทั้งหลายรอบรู้ธรรมะนั้นด้วย นะขอบุญกุศลเหล่านี้ให้พวกเราทั้งหลายปราศ จ, จากทุกโศกโรคเวรภัยอันตรายประสบแต่ความสุขความเจริญทุกเมื่อเนี่ยนะ ขอให้มงคลทั้ง38ประการจงมีแกโยมทั้งหลายขอให้โยมทั้งหลายยาได้ครบคนพานขอให้ได้ครบแต่บัณฑิตให้ได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาตลอดไปให้ได้อยู่ในประเทศอันสมควรเป็นผู้มีบุญอันสังสมไว้ดีแล้วให้ตั้งอัตตะสัมมาปณิทิ่ตั้งความปรารถนาะโดยชอบตั้งความปรารถนาที่ถูกต้องตั้งความปรารถนาเพื่อ คุณงามความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะขอให้ญาติโยมทั้งหลายเป็นผหูสูดเป็นผู้มีศิลปะเป็นผู้มีสังวรวินัยปะหานวินัยศึกษาไว้ดีแล้วได้กล่าวแต่วาจาสุภาษิตขอบุญกุศลเหล่านี้เป็นปัจจัยให้ญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้ที่เป็นผหูสูดเป็นผู้เรียนรู้มากเป็นต้นขอให้ได้บำรุงบิดามารดาสงเคราอบบุตรภริยาบริวารเลี้ยงดูครอบครัวเป็นต้นให้เป็นสุขเนี่ยนะได้ ทำงานไม่อากูลทำงานโดยปราศจากโทษนะขอให้ทำงานไม่ติดข้องไม่ข้องขัดในอาชีพการงานทั้งหลาย ขอได้ให้มีโอกาสให้ทานได้ประพฤติกุศลกรรมประพฤติคนงามความดีทางกายทางวาจาและทางใจเนี่ยนะและได้สงเคราะห์ยากทั้งหลายให้เป็นสุขได้ทำอะไรที่ไม่มีโทษทำอะไรที่ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องยากไม่ต้องลำบากไม่ต้องน้ำตาเช็ดหน้าน้ำตานองหน้าต่อไปในอนาคตขอให้เว้นจากความชั่วด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจนนะ งดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยนะนีคุณยมพ่อก็ละละบ้างเว้นเว้นบ้างเนี่ยเลิกได้ก็ดีเลิกได้จริงก็ดีมากนะนะเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยแล้วก็อย่าได้ประมาทในชีวิตอย่าได้ประมาทในการงานอย่าได้ประมาทในทุกสิ่งทุกอย่างปราอย่าได้ประมาทในความปราศจากทุกโศกโรคเวรภัยนะอย่าได้ประมาทในกุศลธรรมอย่าได้ประมาทในการเจริญกุศลอย่าได้ประมาทในการ และอากุศลธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้มีสัมมาคา ร, ระวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความสันโดษดํารงมัน่นอยู่ในความกระตันอยู่และก็ได้มีบุญได้สัง่งได้ฟังธรรมตลอดไปเนี่ยนะได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมคําสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ดีแล้วเป็นคําสอนที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยนะขอบุญกุศลที่ได้ละธรรมแล้วนี้เป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายมีความอดทนมี มีความเป็นผู้สอนง่ายเนี่ยนะแล้วก็เป็นผู้ได้พบเห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วก็ให้ได้มีโอกาสสนทนาธรรมเพื่อระงับดับความสงสัยเพื่อระงับดับนิวรณ์เป็นผู้มีตบะ น, นะมีความเพียรเครื่องกําจัดบาปอคุโลธรรมประพฤติพรหมจรรย์เห็นอริยสัตว์ ตรัสรู้พระนิพพานตามพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลายประสบลาบก็ไม่ฟูประสบความเสื่อมลาบก็ไม่แฟบ น, นะเป็นผู้มั่นคงในลาบยศสรรเสริญสุขทุกและนินทาเนี่ยนะทั้งนินทาทั้งสรรเสริญ ให้มีจิตใจที่มั่นคงดำรงมั่นอยู่ในอริยคุณทั้งหลายคืออธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาปราศจากทุกโศกโรคเวรภัยอันตรายทั้งปวงเป็นผู้ที่มีจิตกเกษมปลอดภยัยขอมงคลทั้งหลายเหล่านี้จงเจริญแก่ท่านตลอดไปนะขอเทวดาช่วยปกปักรักษาด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพขอความสุขสวัสดีจงมีกัติโยมทั้งหลายอย่างเช่นที่พระสตรชัยพ่อชัยยมงคลคา ขอชัยมงคลชัยชนะโดยมงคลทั้ง38ที่เกิดขึ้นนะนะเพราะอ้างเอาชัยชนะของพระพุทธเจ้าแปดประการแล้วก็อาสาอ้างเอาชัยชนะของพระพุทธเจ้าชนะที่โพธ่บาลังเนะี่ยเพราะฉะนั้นขอบุญกุศลเหล่านี้ช่วยปกปักรักษาให้เราปราศจากทุกตลอดปราศจากทุกโศโรคเวรภยัยอันตรายประสบแต่ความสุขตลอดการทุกเมื่อเธอวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ ศาสนาสิ่งที่ได้ตอบแทนนั้นก็คือคืออะไรคืออริยทรัพย์เนี่ยนะเพราะนผู้ที่เข้ามาสแสวงหาอริยทรัพย์ในพระพุทธศาสนาเรียกว่าเข้ามาสแสวงหาอย่างถูกต้องเรียกว่าเข้ามาถูกที่แล้วเพราะมาสแสวงหาอริยทรัพย์แต่ถ้าหากว่าสแสวงหาพวกทรัพย์มันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าในวัดนี่ไม่ใช่เป็นสถานที่ที่อะไรนะอำนวยความสะดวกในด้าน พคทรัพย์ไม่ใช่แหล่งธรรมมาค้าขายอ่างนั้นเถอะเป็นแหล่งที่เจริญงอกเงยแห่งอริยทรัพย์ทั้งหลายนี่ถ้าหากว่าเรามีเป้าหมายกำหนดชัดเจนว่าเราเป็นผู้ที่ศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผลประโยชน์ที่เราทั้งหลายได้รับนั้นก็คืออริยทรัพย์ทั้งหลายนะต้องกำหนดชัดเจนให้ดีนะว่ารายได้ของเราทั้งหลายผลตอบแทนของเราทั้งหลาย ที่เรามาศึกษาพระพุทธศาสนานั้นคืออริยสัพย์อริยสัพย์นั้นมีอย่7ประการทบทวนนะอริยรัพย์คือศรัทธาอริยรัพย์คือศรัทธาสองอริยรัพย์คือศีลอริยรัพย์คือหิริอริยรัพย์คือโอตัปปะอริยสัพย์คือสุตตะอริยรัพย์คือจากขาและสุดท้ายอริยสัพย์คือปัญญาอันน พวกข้ัพท์ทั้งหลายเป็นทรัพย์ภายนอกบำรุงตาหูจมูกลิ้นร่างกายอริยศัพท์นั้นบำรุงจิตใจนะนะอริยศัพย์นั้นบำรุงจิตใจพวกท้ศัพย์บำรุงตาให้เห็นสีที่น่าพอใจพวกท้ศัพย์บำรุงบำรุงให้หูได้ยินเสียงที่น่าพอใจบำรุงจมูกบำรุงเลนส์บำรุงโพธพภะสัมผัสทางร่างกายส่วนอริยศัพย์นั้นบำรุงทางจิตใจเพรนั้นถามว่า การเวียนว่ายตายเกิดนี่ถืออะไรเป็นหลักก็ถือเอาร่างกายกับเอาจิตใจกับร่างกายในสังยุตตนิการนิทานวักอตกถากล่าวถึงว่าใจเนี่ยมาก่อนทีแรกแล้วก็แตกดับทำลายไปในครั้งสุดท้ายมาก่อนแต่ไปลหลังคือหมายความว่าการเกิดขึ้นในครั้งแรกในในของพวกเราทั้งหลายปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นมาก่อน ปฏิสนธิจิตเนี่ยเกิดขึ้นและรูปทั้งหลายก็เป็นรูปเล็กๆ ล, ละเอียดยิบนี้เดียว่ะนะพันแล้วก็รูปก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นรูปเจริญเติบโตแบ่งเป็นตาหูจมูกลิ้นกายกายก็ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นค่อยๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีทีหลังตาหูจมูกลินกล้นากนายหลายๆส่วนเป็นสิ่งที่เกิดในภายหลังแต่ยามที่ตายนี่อะไรไปทีหลัง ใจนี้ไปทีหลังจุติจิตหรือว่าจิตแตกดับนี้ทีหลังร่างกายก็ค่อยๆสุดโทมไปเช่นตาก็ค่อยๆเสื่อมโทมไปหูก็ค่อยๆมีปัญหาในที่สุดก็เหลือในส่วนใจพอใจจุติเคลื่อนก็จากพบหนึ่งปฏิสนธิก็สืบเนื่องเกิดชาติต่อๆไปการเชื่อมโยงฉะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายตัวที่เชื่อมโยงทําให้ไปสู่ที่ดีแต่นั้นคืออะไรนําไปก็คือโลกจิตเนี่ยพาไป ถ้าจิตที่เป็นบุญก็พาไปสู่ที่ดีถ้าจิตเป็นบาปก็พาไปสู่ที่ไม่ดีพระองค์ตรัสเป็นบาลีว่าะนะจิตเตสังกิริตเต ท, ทุกคติปาติกังขาจิตเตเนี่ยแปลว่าจิตทั้งหลายนะนะสังกิริตเตแปลว่าเศร้ามองถ้าจิตทั้งหลายถึงความเศร้าหมองทุกคติปาติกังขาทุคติหวังได้ปรารถนาได้เลยส่วนเดียวว่า ทุคติแน่นอนคําว่าทุกคตินี้เป็นที่ไปที่ไม่ดีเป็นที่ที่ไปที่ไม่น่าปรารถนาคืออบายทุคติวินิบาตนารกไปแล้วเดือดร้อนไปแล้วลําบากไปแล้วไปทุกไปยากไปตกรกรรมลําบากแน่นอนกระทั่มาณนถึงอมตตัวนี้เดียวจะหาน้ําดื่มยังหายากไม่ใช่ตัวใหญ่นะแต่ก็หาน้ําดื่มหายากเพราะว่ามดสร้างเขือ่อนนะขุดบ่อน้านําเป็นต้นไม่ได้ท่านมดทั้งหลายนี่ก็หาน้ําดื่มยาก ก็เลยเรียกว่าทุกขติเนี่ยนะอบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นสถานที่ที่ไปไม่ดีอันนี้ที่จริงอ่ะพูดเนี่ยไม่ได้คู่เลยบางคนว่าโอ้ยพระนี่มีแต่เทศขู่เอานรกมาอ้างเป็นต้นโยไม่เคยเห็นหมดเห็นปลวกหรือยังไงอย่างเงนะถ้าเคยเห็นบอกถามว่าเราไปเกิดเป็นมดเป็นปลวกได้ไหมบอกได้ทําไมจะไม่ได้นะนะเดี๋ยวต่อไปจะเล่าเรื่องพระอินให้ฟังเล็กน้อย <S <S พระอินเนี่ยนะ ม, มีมีอดีตอดีตชาติท่า น, นมีเมียอยู่สี่คน คนพราหมณ์เนี่ยนะคนวันณะพราหมณ์เนี่ยคือเว้นแต่คนไทยนะคนไทยมีเมียน้อยได้แต่ว่าปกปิดบ้างแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นเขามีเมียได้หลายคนเลยนะเรียกว่าโดยชอบทำทะเลาะ ก, กันบ้างก็อยู่กันไปเนี่ยนะแต่ว่าเขาก็มีเมียอยู่สี่คนมีเมียอยู่คนหนึ่งชอบแต่งตัวมากที่สุดผัวชวนทําบุญยังไงก็ไม่สนใจเลยในที่สุดนางก็ไปตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรเป็นนกรนนะนกระยางว่างั้นนะนกกระยาง วันก่อนนั่งรถไปแล้วก็เห็นนกกระยางเยอะๆบอกว่าอดีตลูกหลานนางสุชาดาประมาณนั้นลูกหลานนางสุชาดาประาณนั้นเพาว่าแสดงว่ามักเรียกว่าอะไรนะมักบำรุงแต่ร่างกายในที่สุดก็กลายไปเป็นนกยางแต่ว่าดีว่าได้ผัวดีผัวก็ยังตามไปช่วยเกื้อกูลในที่สุดก็กลายไปเป็นนางฟ้านี่นะก็กลายไปเป็นนางฟ้าเขาเรียกว่านางสุชาดาพระอินทร์มีชื่อหนึ่งว่าสุชัมบดีบแปลว่าสามีของนางสุชาดาประมาณนั้น นีแล้วก็มีมเหสีอีกองค์หนึ่งในชาดกกล่าวถึงมเหสีบางองก็ไปเกิดเป็นน้อนอยู่ในขี้วัวเป็นต้นนั้นของเราเนี่ยนะถ้าเราไปเกิดเป็นสิ่งเหล่านั้นถามว่าเป็นไปได้ไหมบอกไม่สบายมากเลยถ้าศึกษาเรื่องจิตสักเล็กน้อยเนี่ยนะเราจะเข้าใจเลยว่าไอาการไปเกิดในเอางี้ดีกว่าถ้าโยมไปคิดถึงน้ําแล้วตายเนี่ยโยมจะไปสวรรค์ได้ไหมโยมว่าได้ถ้าคิดถึงน้ําที่เอาไปทําบุญน้ําที่ให้ทานน้ําที่ ไปให้ทานเป็นต้นแต่ถ้านึกถึงน้ําทะเลที่เคยไปเล่นน้ําอนาคตหวังได้ว่าเป็นปลาแน่นอนถ้าไปเห็นใบไม้สีเขียวเป็นต้นเนี่ยอนาคตเป็นอะไรก็เป็นอะไรที่แถวอยู่แถวแถ ว, แถวใบไม้นั่นแหละโอ้ยสวยจริงๆเลยต้นไม้ใบหญ้าโยมไปแหวกดูเถอะแต่ละต้นเนี่ยเดรัชานเท่าไหร่พันหลา ย, ลายๆเรื่องเนี่ยนะท่าใจเศร้ามองด้วยอกุศลทั้งหลายทุกขติหวังได้เนี่ยนะถามว่าอะไรพาไปพาไปเกิดในที่ตกต่ำนะถามว่าอะไรพาไป ใจเราลั่นแหละพาไปไม่มีใครพาไปร้อพันเมื่อจิตเศร้ามองทุกขติวังได้พันบุคคลที่รักษาจิตนั่นแหละจึงพ้นจากทุกขังปวงรักษาจิตทำจิตให้ไม่เศร้ามองเดีย๋ยวนะซึ่งรายละเอียดจะค่อยๆพูดต่อไปทีนี้ถ้าหากว่าจิตผ่องใสจิตเตอะสังกิริเทสุขติปาติกังขาจิตเตอสังกิริเตเนี่ยแปลว่าจิตไม่เศร้ามอง เขามองเห็นภาพชาัดเจนก็อบอกว่าจิตไม่อักเสบนะใครๆที่เคยแบบร่างกายอักเสบบ่อยๆเนี่ยนะนั่นแหละถ้าจิตอักเสบมันก็เป็นอย่างนั้นเรียกว่าจิตเศร้าหมองถ้าจิตไม่อักเสบนั่นแหละเรียกว่าจิตไม่เศร้าหมองใจนี่ไม่ป่ว ย, ยนะถ้าใจไม่ป่วยใจไม่เศร้าหมองสุขคติก็หวังได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเป็นต้นก็หวังได้เพราะฉะนนั้ผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาจึงดูแลจิตผู้ไม่มีปัญญาทั้งหลายดูแลอะไร ดูแลตาหูจมูกลิ้นร่างกายานะบำรุงหาสิ่งที่มาบำรุงตา ห, หาสิ่งที่มาบำรุงหูหาสิ่งที่มาบำรุงจมูกบำรุงลิ้นและบำรุงร่างกายแต่ในที่สุดเอาเข้าจริงแล้วช่วยอะไรได้บ้างานะมีที่นอนอย่างสบายแต่นอนไม่หลับอย่างเง้ยนะคล้ายๆว่าสิ่งที่บำรุงทางทวารอื่นๆบำรงตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีมีสาระตลอดไป เป็นของที่ใช้ชั่วคราวพระพุทธเจ้าจึงหันมาบำรุงใจจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยพระองค์ก็เป็นผู้ที่บำรุงร่างกายนะนะก่อนที่พระองค์เป็นพระองค์เป็นสุขุมารชาติเป็นคนที่พรั่งพร้อมเอิบอิ่มไปด้วยเบญจากากมคุณพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยรูปที่น่าปรารถนาะน่าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดพาใจให้ติดข้องเสียงกลิ่นรสโผฏ ภ, ทภะทั้งหลาย แต่ละอย่างที่พระองค์ได้รับล้วนแต่หน้าปรารถนาะหน้าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักพาใจให้ติดให้คล่องชวนให้เพลิดเพลินเป็นที่หลงไหลพระองค์เกิดมาแทบไม่ได้ยินคําว่าไม่ดีเลยได้ยินแต่คำเพราะเพราะทั้งหมดได้รับแต่คําแซ่สองสรรเสริญได้รับแต่คํายกย่องไปที่ไหนก็บอกส่งพระเจริญขอพระองค์จงชนะขอพระองค์ทรงพระเจริญพระองค์จะได้ยินแต่คําประเภทนี้ คำใดที่เรียกว่าคำดีๆทั้งหลายพระองค์ได้ยินมาตลอดแต่พระองค์เนี่ยความที่พระองค์สั่งสมอริยรัพย์มาดีพระองค์สั่งสมอริยรัพย์คือศรัทธาเป็นต้นมาเป็นอย่างดีในที่สุดพระองค์ก็กลับมาสแสวงหาอริยรัพย์อริยรัพย์นี่แหละที่จะช่วยให้พระพุทธเจ้าพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายนะพระองค์ก็เลยมาสแสวงหาอริยสัพในที่สุดพระองค์ก็สมบูรณ์ด้วยอริยสัพ ใครเคยได้ยินว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสักกะพระพุทธเจ้านี่มีชื่อหนึ่งว่าชักสักกะสักกะสักกะนี้แปลว่าพระพุทธเจ้าผู้มีทรัพย์มากอันนี้เราไม่พูดถึงโวกทรัพย์นะไม่เน้นถึงโภกทรัพย์ดังที่กล่าวว่าถ้าโภกทรัพย์เป็นสิ่งที่ดีจริงทําไมพระองค์ต้องต้องออกจากโภกทรัพย์ทําไมพระองค์ต้องละโวกทรัพย์คือโภกทรัพย์มันเป็นอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่ละเขาเขาก็ละเรามันมีอยู่สองอย่าง จากเป็นกับจากตายพวกข้าศัพย์เนี่ยจากเป็นนี่เป็นยังไงเอาก็หมดตัวไงเคยเห็นว่าแบบอะไรนะหมดตัวเลยเคยมีแล้วก็ไม่มีในที่สุดมันก็จากเป็นอันนี้เขาเรียกว่าจากเป็นอย่างที่สองสิ่งเหล่านั้นเพียรพร้อมหมดแต่เราก็อยู่ต่อไปไม่ได้ตายนี้จากไปเพราะฉะนั้นในที่สุดก็ต้องจากอยู่แล้วถ้าถ้าจากเร็วกว่านั้นอีกหน่อยแล้วได้บุญทําไงดีนั่นแหละพระพุทธเจ้ารู้กติกากฎเกณฑ์ว่า กฎเกณฑ์ของโลกนี้ในที่สุดโลกนี้จะต้องจับจะต้องจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปแ น, น่นอนถ้าจากเร็วขึ้นมีเวลาเจริญกุศลเพื่อเป็นสเสบียงทางเลยนะเพื่อเป็นสเสบียงทางั้นเราก็มาเจริญเราในฐานะผู้ที่ศึกษาพระธรรมเพื่อจะรับอริยสัพจจากพระพุทธเจ้าเราก็มาศึกษาแนวทางทิศทางของพระพุทธเจ้าทั้งหลายศึกษาพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เราปฏิบัติเจริญมากเจริญน้อยอยู่ที่ว่าเราเข้าใจความประสงค์ของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่อย่าลืมว่าพ้าอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ที่บารุงเอาใจพระพุทธเจ้า น, น, นถ้าเราบำรุงเอาใจพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องไม่ใช่อ้อนวอนนะนนันฟังให้ดีไม่ใช่อ้อนวอนพระพุทธเจ้าขอร้องพระพุทธเจ้าแต่เราปรับความรู้ความเข้าใจในพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าได้เท่าไหร่ เราก็จะปฏิบัติตามพระองค์ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้น เ, เราศึกษาก็คือเพื่อเพิ่มพูนอริยทรัพย์ย้อนทบทวนนะว่าเราศึกษาเพื่อเพิ่มพูนอริยทรัพย์อริยทรัพย์อันแรกคือศรัทธาเห็นไหมถ้าหากว่าถามว่าเราเข้ามาในพระศาสนาเราได้อะไรบ้างถ้าตั้งเป็นคําถามเลยนะถ้าเราได้ศรัทธาเนี่ยแปลว่าถูกต้องถ้าเราศรัทธาไม่เจริญหรือศรัทธาเสื่อมลงทุกวันทุกวันแปลว่าพลาดแน่นอน นี่อริยสัพเนี่ยนะเราอริยสัพย์คือศ ร, รัทธาเนี่ยเราตรวจสอบได้อย่างไรว่าเจริญ ني, หรือตั้งคําถามว่าอริยสัพย์เราจะเจริญได้อย่างไรนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองแล้วอริยสัพย์ของเราคือศ ร, รัทธาเนี่ยนะเราฝากไว้ถูกที่ไหมล่ะถ้าเรามีทรัพย์คือศรทัทธาเราฝากศรัทธาของเราไว้ถูกที่ไหมอย่างโภกท้าศัพเนี่ยนะเราจะเอาไปฝากไว้ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยถือว่าเราเรา เราคิดแล้วคิดอีกใช่ไหมจะไปฝากสตังค์เนี่ยเราไปเที่ยวฝากใครทั่วๆไปหมดได้ไหมบอกทําไมอ่ะขนาดบางทีนะพ่อแม่ยังฝากลูกไม่ได้ลูกบางทีก็ไม่กล้าฝากพ่อฝากแม่ถามว่าทําไมจึงไม่กล้าฝากแก้วแหวนเงินทองไว้กับท่านเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะกลัวการสูญเสียกลัวเสียทรัพย์กลัวเสียเงินกลัวหมดสตังค์เป็นต้นเอาแล้วแล้วทำยังไงบ้างเราก็หาที่ที่เรามั่นคงไงไหม การฝากทรัพย์แก้แหวนเงินทองของเราเราจะทุกอย่างเราจะค่อนข้างแน่ใจเราจริงจะค่อยทําออกไปทีนี้พูดถึงอริยทรัพย์ของเราบ้างเราควรจะฝากไว้ที่ไหนฝากแล้วมีแต่เพิ่มพูนฝากแล้วอริยทรัพย์มีแต่มีคุณค่ายิ่งยิ่งขึ้นไปพั้นก็ฝากอริยทรัพย์ไว้ที่ไหนดีนะฝากไว้ที่ไหนดีนะโยช่วยตอบให้หน่อยเธอเนี่ยนะเผื่อจะคุยกันต่อไปได้ น, นะฝากไว้ที่ไหนดีอริยทรัพย์เนี่ยมันเกิดที่ใจแต่เราควรฝากไว้ที่ไหนดีศรัท ธ, ธาของเราเนี่ยนะที่จริงๆแล้วมันไม่ค่อยมากอะ่ะมันนิดเดียวอะ่ะมันเหมือนสตังเนี่ยมันค่อยมากอย่างั้นเถอะทุกอย่างมีปริมาณจํากัดเพราะฉะนั้นถามว่าเราควรจะฝากศรัท ธ, ธาเราไว้ที่ไหนดีจำเกียรติอ่าหมอบอกว่าอยู่ที่พระรัตนตรัยใช่ไหมจำเกียรติฝากไว้ที่ไหนดีศรัท ธ, ธาของเราเนี่ยซึ่งมันก็มีบ้างไม่ค่อยมีบ้างเนี่ยนะ น, น, นะนะเหมือนกันนะเอาคนอื่นๆนี่ต่อบไว้ที่ไหนดีนะยมสมมุติว่าศรัทธาเนี่ยนะความเลื่อมใสของเราเนี่ยความเชื่อของเราเนี่ยฝากไว้ทั่วไปหมดไหมหรือว่าฝากไว้ตรงไหนดีทั่นเต๋อว่าตรงไหนดีเหรอไม่มันอยู่ที่ใจอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าใจเนี่ยนะมันจะต้องเกิดขึ้นมันต้องรับรู้ศรัทธาเนี่ยนะมันเป็นอ่าเป็นเจตสิกเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับใจแต่ศรัทธานั้นต้องมีอา ร, รมณะปัจจัยต้องรู้อารมณ์ต้องรับรู้ สิ่งที่รับรู้แล้วศรัทธายิ่งเจริญขึ้นดีขึ้นมีคุณค่าขึ้นมีราคาขึ้นสิ่งนั้นคืออะไร น, นะก็หลายท่านก็ตอบถูกอยู่แล้วนะเราพุทธศาสนิกชนถ้าไม่ตอบว่าพระพุทธเจ้านี่เขามาว่าโอ้โหเสียหายยับเยินเลยแหละ น, นะ บอกว่าก็ฝากไว้ที่พระพุทธเจ้าไงทีนี้เรารู้ได้อย่างไงว่าศรัทธาของเราเจริญขึ้นอู้ศรัทธาเรานี่ถูกต้องเพิ่มพูนบริบูรณ์ศรัทธามีคุณค่ามีราคาหมายดีเหลือเกินอุ่นใจเหลือเกินนะบอกว่ารู้ได้อย่างไงรู้ได้รู้ได้จากอะไรบกรู้ได้จากความเข้าใจที่สมมติถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราก็ถามว่าเราเข้าใจพระคุณของพระพุทธเจ้าแค่ไหนอย่างไร เมื่อกี้ได้ยินว่าเราหลายท่านสวดว่าอะไรแม้เพรา ะ, ะก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าใช่ไหมเรากล่าวกันอย่างนั้นแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์นะคำนี้นะเ ร, เราเราเลื่มใสแค่ไหนคำหนึ่งนะอันนี้เป็นเครื่องวัดอริยทรัพย์นะวันนี้ขอเช็คอริยทรัพย์หนะ่อยว่ารวยกันแค่ไหนแล้วนะเช็คอริยทรัพย์นะ เพราะว่าจะปิดอบายได้หรือปิดไม่ได้จะบรรลุได้หรือบรรลุไม่ได้เนี่ยเช็คกันที่อะไรที่ศรัทธาเป็นต้นศรัทธานี่ถือเป็นเบื้องต้นเลยนะอินทรีห้าขึ้นต้นด้วยศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาขึ้นต้นด้วยศรัทธาพระห้าก็ขึ้นต้นด้วยศรัทธาศรัทธานี่นับเนื่องในโสตาปฏิยังฆ่าธรรมเรามาตรวจสอบศรัทธาดู น, นะ ก็ยังว่านะถ้าพูดให้โยมบรรลุได้ก็จะพูดให้บรรลุนะั่นแหละแต่ว่าอย่าลืมว่าบรรลุนั้นอนะ่ะไม่ใช่ว่าลุแก่อำนาจโทสะนะไม่ใช่นะหมายว่บรรลุหมา ย, ามายาว่าเพิ่มอริยทรัพย์ได้ผู้ที่เข้าบรรลุสมัยก่อนเนี่ยนะคือเขาเจริญอริยทรัพย์จนเต็มเปี่ยมเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าได้เลยเป็นธรรมทายาทรับมรดกแห่งธรรมจากพระพุทธเจ้าได้เลยนี่ย้อนกลับมาว่าศรัทธาของเราที่มีต่อพระอรหันต์เนี่ยเรามาดูอรหันต์พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะ พูดอย่างนี้เราเราผ่องใสเลยไหมสบายใจเลยไหมอารหังหมายคำว่าอย่างไงไกลาจากกิเลสกําจัดขฆาตศึกคือกิเลหสหักซีกรรมแห่งสังสารจากักไม่มีความลับในการทำบาปคู่ควรแก่ปัจจัยซีเป็นคนดีจริงๆอย่างนั้นเถอะไม่มีผู้ใดจะดียิ่งกว่าพาาระอรหันต์แล้วผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วอรหันต์นั้นไม่ใช่อรหันต์ธรรมดาเป็นอรหรันตสัมมาสำผู้แตเจ้า ตรัสรู้อริยสัจโดยถูกต้องโดยลำพังโดยพระองค์เองเพราะพระองค์สั่งสมบารมีคือเหตุมาเป็นอย่างดีพระองค์จึงมีปัญญาแทงตลอดอริยสัจ ต, ตรัสรูท้ทำเป็นที่ดับทุกข์และพระองค์ก็ช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้ตามด้วยตรัสรู้ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคแล้วพระองค์ก็แนะนําให้ผู้อื่นตรัสรู้อริยสัจข้ามพ้นจากวัตทุกข์ด้วยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติพระองค์มีวิชาและ เจรณะพระองค์มีวิชาสามรู้อดีตรู้อนาคตรู้ทั้งอดีตและอนาคตที่สำคัญคือรู้อริยศาสตรพระองค์มีความประพฤติไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาเรียกว่าศีลตาหูจมูกลิ้นกายใจรักษาไม่ให้บาปไหลเข้ามาเรียกว่าอินทร์สังวรพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตื่นตัวในการเจริญกุศลธรรมเรียกว่าชากริยานุโยครู้ประมาณในการใช้ปัจจัยสี่เรียกว่าโพชนเนมตันยุตา